ตั้งจากนี้ไปเป็น 5 กรกฎาคมปี 2541ณพุทธสถานสันติอโศกขอณบัดนี้ เอาวันนี้ก็จะเทศน์เรื่องอธิษฐานให้ฟังด้วยทําการอธิษฐานให้แก่ตนเองทําการอธิษฐานเนี่ยซึ่งการอธิษฐานนี่ อธิษฐานเนี่ยมันเพี้ยนไปจน ถ้าเข้าใจความจริงง่ายๆที่ว่าศาสนาพุทธ อ่าพอตั้งใจขึ้นที่จริงอธิษฐานแปลว่า เพราะในการตั้งใจลงไปเนี่ยคงจะเข้าใจความหมายในภาษาไทยว่าตั้งใจได้เข้าใจแล้วเราตั้งใจก็คือทําให้เรื่องทัน อดใจไม่ได้สู้สู้ตั้งเนี่ยเป็นต้นเพราะในการตั้งใจ 4 อย่างมีปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะ มันเมื่อคนไม่รู้เรื่องรู้ภาษาได้ยินภาษากันมาแล้วเราก็ไปใช้ภาษาอย่างผิดผิดอธิษฐานเมื่อคนไม่ <ๆ. S 1> ขอนี่คือการบำเรอตัวเองขอคือการต้องการ ไม่ใช่ขอมาเข้าตนขอมาเข้าตนมันทวนกันได้มั้ยมันมันมันมันปิดทางศาสนาพุทธเลยคนละเรื่องว่าศาสนาพุทธจึงแม้แต่การที่ มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีความสามารถมีความรู้อะไรอย่างไรเราสร้างสรรค์เนี่ยให้คุ้มตัวเองจนเหลือเมื่อเราทําคุ้มตนเองก็เราได้พึ่งตน ไม่ได้เป็นไปเอาของใครนะนี่ๆของพุทธเลยจะทําอย่างไรๆแล้วเนี่ยมัน ที่เราจะไม่ใช่เอาเข้า 4 นี่ปัญญาอธิษฐานจะ ว่าเอความรู้ของเรานี่มันตรงมั้ยทิศทางของพุทธที่ท่านนี่ตรงคํา สามารถที่จะสร้างสรรค์ที่จะมีสมรรถนะกรรมกิริยาการงาน เราเปลืองนะเปลืองพื้นที่เนี่ยคุณหนักพื้นที่ละกินพื้นที่ละใช่มั้ยตัวคนเนี่ยกินพื้นที่เปลืองพื้นที่ 2 หายเปลือง จนคนไม่รู้มันก็ไปเปลืองมากขึ้นไปใหญ่เลยซึ่งมันปรุงแต่งกันมาหลอกล่อกันสารพัดสารเพจะ สัญญาผูกมัดว่าว่าอันนี้คือของของเราเรา ดาวอังคารได้ก่อนกันเนี่ยกําลังจะแย่งกันใหญ่แต่ดูเหมือนเค้าจะแล้วว่าใหญ่ๆเป็นสถานี แล้วถึงเขามีความหวังว่าโลกนี้จะต้องมีน้ําแล้วจริงๆแล้วนี่ถ้าเข้าใจกรรม ได้ตลอดกาลนานจะไปเกิดลูกโลกรุ่นจริงๆเข้าใจกรรม ต้องไปโลกลุงนี้แตกแล้วโลกลุงไหนที่คนจะไปคนเรานี่เวียนวนอยู่ ประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้สัจจะปรมัตถสัจจะที่ดีที่สําคัญนะไม่เราไปเฟ้อเสียเวลา ไม่เป็นคนที่จะมาหนักแผ่นดินอะไร 5,000 ล้านขณะนี้มัน 5,000 ล้านเกือบจะ 6,000 ล้านแล้วคนในโลกใบนี้ก็ยัง รู้จักความพอดีพอเหมาะมันก็อยู่ได้ตอนเรา ต้องเป็นลาภธรรมิกาเป็นลาภโดยธรรมเป็นลาภที่เราสร้างขึ้นมาด้วยน้ําพรรคน้ําแรงเป็นสิทธิ 4 นี่แหละ ให้ไปถึงสัจจะที่สูงสุดเลยนี่คือการตั้งใจนี่คืออุปสมะก็คือปัญญาสัจจะ ศีลจาคะก็คือตัวสําคัญมีปัญญาต้องรู้ว่าเกิดมาเป็นคนนี่เกิดมาจริงๆคนเราไม่เอามันก็มีของ แต่บุญของเราอย่างพุทธเจ้าท่านมีบุญของท่านมีบารมี ให้ไปเอาออกไปนั่นยิ่งปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะนี่เป็นสภาพเป็นภาษาที่อย่างมันสัมพันธ์กันมีปฏิสัมพันธ์กัน และปัญญาก็เป็นปัญญาเป็นไปเพื่อละหน่ายคลายเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อปรมัตถ์หรือเป็นไปเพื่อให้เกิดสัจจะที่เป็นปรมัตถสัจจะเป็นไปเพื่อจาคะเป็นไปเพื่อ <loan> <inclusive. S 1> อย่าเปื้อนเลยโลกลูกนั้นลูกนี้ไปรู้เลยว่าไอ้ทีมไหนมันชนะทีมไหนทีมไหนล่อกันแบบนั้นไปติดแล้วไอ้ ไม่ต้องไปเติมอีกหรอกมันก็จะปรุงจะแต่งมาอีกมากมายกว่านี้อีกเยอะเลยน่ะจะ ในสัจจะเนี่ยอธิบายไว้เลยในสูตรนี้เรียบร้อยอ่าสัจจะนี่คือจะต้องเป็นไปเพื่อไม่เป็นมุสาไม่เป็นโมสะมุสาคือ อย่าอยู่อย่างผู้เอานั่นเองขโมยก็คือผู้เอาเพราะฉะนั้นมัน ปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะอุปสมะนั้นเป็นผลอุปสมะคือการสงบระงับคือผล แต่นิพพานนี่ไม่ได้จบแล้วความว่าที่อาตมาทำมือทำไม้เนี่ยหมายความว่าแข็งทื่อนิ่งนี่จบทนทนได้ต่อโล ไม่มีหวั่นไหวไม่มีอะไรแล้กเดียวว่าสงบสนิทและไม่ใช่สงบสนิทอย่างซึบื้อไม่รู้เรื่องกระแทก แข็งแรงตลอดแรงตลอดไม่มีหวั่นไหวอเนนชาได้มีหวั่นไหวตั้งมั่นแข็งแรงได้เรียกว่าสงบและ พอแล้วมีสภาพอย่างนั้นแล้วไม่มีซะได้ดีกว่าและคนที่บรรลุอย่างนั้นมีสภาพ ดาวว่าเมื่อมันไม่ๆนานาคนรับรถอ่าพอได้รับรถ ความหดหู่อ่าความทําใจให้ไม่ดีอ่ะเราจะไม่ได้ทางอาการของๆน้อยๆแต่ไปในแง่แต่มันไม่ อาการเหล่านี้ไม่เกิดที่จิตทันได้แล้วแต่ถ้าจิตใจมันเบิกบานร่าเริงก็ดีแต่เพียงแต่เบิกบานร่า ท่านฝึกแล้วท่านเบิกบานร่าเริงได้โดยไม่ต้องมีอามิสไม่จิตที่เป็นธรรมดาธรรมชาติเพราะฉะนั้นอะไร ไม่มีความไม่ดีเกิดในอารมณ์จิตได้มีความไม่ดีเกิดในอารมณ์จิตได้ไม่เกิดจริงๆไม่มีอารมณ์ไม่มีไอ้สิ่งไม่ดีเกิดในอารมณ์จิตอารมณ์เศร้าหม่นอารมณ์เอ่อว้าเวอารมณ์เสียใจอารมณ์น้อยใจอารมณ์เอ่อกระเทือนใจ แต่ก็ไม่ต้องเป็นรถก็ไม่ต้องเป็นรถเข้าใจแล้วว่ารถคืออะไรเสพแล้วก็ติดเหี่ยวไม่รู้สึกว่าขาดแม้เราไม่ได้เบิก อ่าแต่ประสังคมนั้นมีแต่บุหู่บุหู่หีวแฮงอะไรก็ไม่รู้มันก็ตายเข้าไปก็เราเดินนั้นมันๆ ก็พอเหมาะพอดีเบิกบานร่าเริงขนาดไหน อยู่อยู่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวธรรมดาจิตว่างโปร่งพอง แต่ถ้าเกิดว่าต่อหน้าผู้นาคนแล้วก็ น่ะมันก็ไม่ไม่ถูกลักษณะมันยิ้มอยู่คนเดียวได้ไงๆอย่าง นอกจากว่าเราเองเนี่ยยิ้มไม่แต่จริงไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ยิ้มงาม น่ะไม่ต้องบอกว่า 32 ซี่แล้วต้องขนาดนี้มันๆ เราฝึกกรรมกริยาข้างนอกก็ตามฝึกกรรมกิริยาข้างนอกก็จิตวิญญาณเป็นตัวรู้กายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามเราควบ ต้องรู้ให้ชัดไม่ใช่ไปฝึกกายฝึกวาจาก็จนกระทั่งมันชํานาญก็เป็น เมื่อทราบรู้ชัดรู้เจตนาธรรมซ้ําๆจนจิตก็ไอ้ที่ทําซ้ําๆเอาๆเนี่ยถ้าคนเราไม่ให้ไปในใจได้แล้วแล้วเราก็ทําแต่ใจที่ เพราะเบิกบานมันสบายดีเมื่อไหร่มันก็สบายไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องๆแล้วตัว นะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันมีดีมันเป็นไม่เห็น สิ่งที่ดีเราก็ทําจนแข้วคล่องชํานาญแล้วก็ทําสิ่งที่ดีนี่ไปไอ้ ไม่ดีอ้าวรู้ไว้ทีหลังถ้าจะโกหกอย่าไปทําก็โกหกไม่ค่อยเป็นถามแล้วตอบซื่อๆโอ้โหมันทําไมมันตอบลอกอย่างนี้ไปอ่านบทปฏิปดกอ่ะ เพราะมันชินโกหกจนกระทั่งมันไม่เห็นบาปเห็นภัยแต่คนเหล่านั้นเค้าโกหกไม่เป็นหรือเค้าโกหกมันเป็นเอ้ยโกหกมันจะเอพูดแล้วมันไม่ โกหกได้สบายๆโกเฉยโกหกเฉยเลยอะไรอย่างงี้นะๆอ้าวเราไม่ใช่แต่แค่โกหกหรือไม่ใช่แต่กรรมแห่งขโมยรวมแล้วมุสากับโมสะเนี่ย หวงแหนมันก็เหลือเป็นของของตัวมันก็เหลืออัตตามันก็เหลือเป็นของของตัวเป็นอัตตมียาคุณฝึกจริงๆเลย และเราก็มั่นใจว่าเราให้ได้เนี่ยมันกลับดียิ่งให้ยิ่งมีคนเคารพนับให้ให้ๆๆยิ่งเป็นคนที่โอ้โหยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ง่ายใช่ไหมนะใช่มั้ยไอ้อาตมาเนี่ยนะไม่ได้ไปคิดจะเอาของใครไม่ได้ค้าได้ขาลมีคนเอาให้เป็นคนคนเอาให้เป็นแล้วหวงแหน <c oughs> ออกคนดีไม่ดีให้มาแล้วก็เอาไปเสื้อไปแจกจ่ายพัดพวก เอาไปสร้างสรรสิ่งที่เป็น อาตมาอาตมาพูดความจริงไงพวกเราฟังอย่าเราเดาผิดเลยดีเช็คอยู่ตรงนี้อ่าตัวน้อย <c oughs> เรายังไม่เอาเนี่ยเค้ายิ่งเชื่อถือเราว่าเราไม่อยากได้เราไม่เอามาเป็นของเราเราไม่ไปโลบโหมๆๆให้มาก อ่าเค้าจะเอาไปทําอะไรเอาละเงินมันเป็นตัวๆเลยมันๆเลยมี หลงเงินเป็นทาสน้ําเงินหัวปักหัวปําเหมือนทุกอย่างนี้นะเพราะนั้นเราแล้วแล้วเราก็รู้ ละออกปลดออกปลดออกจากขะตั้งแต่วัตถุนี่ของเราของเรานี่ไม่เนี่ยนี่ให้องค์นี้ไว้ 2 ล้านนะนี่จําไว้แม่นเลยนี่มื้อใด นี่ยังไม่ได้ให้ยังไม่ 2 ล้านนี่ท่านก็เอาไปแล้วท่านเอาไปใช้หมดแล้วนะเจอหน้าท่านมาเลยก็อ่า 2 ล้านเคยให้เดี๋ยวท่านเอาไปทําประโยชน์ที่ 20 ปี 30 ปีผ่าน จำได้ฉันยังได้ให้คนนี้ยังไม่ได้ให้เหรอยังไม่ได้ให้ยังทวงอยู่นั่นแหละตั้งแต่ที่นะทําไปทํา ทุกคนก็คงคิดออกคงไม่ไม่เออก็ปล่อยไม่ต้องไปยึดนะพอพูดถึงตรงนี้แล้วทานแล้วยังไม่ยอมทาน ติ๊ง 1 ติ๊ง 1 เยอะนะน่ะมันก็ยังอยู่กันเนี่ยมันเยอะน่ะนั้นเราไป ระบบของสังคมมนุษย์ชาติเนี่ยมันจะช่วยกันหรือมันจะอยู่กันมันจะพึ่งพาอาศัยกันได้มั้ยมันจะ แล้วทุกคนก็เรียนรู้ลึกซึ้งมาแล้วนะว่าเราเองเปรืองไม่ใช่เป็นคนน้อยกินแต่พอเหมาะพอดีใช้แต่พอเหมาะพอดีไม่จําเป็นก็ไม่เออ ถ้าคนมีคุณธรรมอย่างนี้มีคุณลักษณะอย่างนี้แต่ละคนแต่ละคนก็มีคุณธรรมอย่างนี้อยู่ด้วยกันมัน อะไรอาขอขึ้นก่อนเลยเหรออุอากสะทั้งหาก ขยันทำลายฟังแล้วก็รู้ว่าคนเราเนี่ยถ้าคนที่ขยันทำลายกับคนขยันสร้างสรรอันไหนดีตอบได้แน่ตรงนี้ๆเลยเพราะ เนี่ยอาตมาสอนพวกเราอยู่นี่พวกเรานี่แม้ข้าวมีกิน 2 พี่เจ็บมีคนช่วยรักษาขี้ม้ามีคน จริงอยู่รอดเพราะคนไหนก็ทําก็ก็ทําเราก็คุ้มก็รองกินน้อยใช้น้อยบ้างแล้วเราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยคนนี้ไม่ค่อยฟุ่มเฟือยเท่าไหร่หรอกแต่ควรจะละเอียดละออควรรักษา อารักขนาไม่ใช่ขี้เหนียวเค้าไปแปลอารักขนาว่าให้สะสมเนี่ยเค้า 1 ขยันก็นะขยันสร้างสร้างแล้วเป็นไงรักษารักษารักษา <c oughs> แต่ก็ไปแปรเอาเข้าข้างตัวเพื่อที่จะให้ไปสอดคล้องความร่ํารวยถึงเรียกว่าเศรษฐีใช่มั้ยเค้าก็แปรให้มันสอด ขายมันสักหมื่นใช่มั้ยลักษณะทุนนิยมมันยิ่งประสบผลสําเร็จกําไรเนี่ยเรียกๆกําไรทุนพันนึงก็ขาย หรือเอาออกรักษานี่นะเชื่อมั้ยอ้าวถามรักษาๆแล้วอ่ะรักษาเอาออกแล้วสาไว้นี่ รักษาโรคให้โรคมันอยู่ให้โรคมันไปเพราะรักษานี่เอาออกก็ได้ เรียกว่าดูแลอารักขนาอ่ะฟังให้ดีนะเข้าใจให้ชัดเพราะฉะนั้นเมื่อไปแปลรักษาเป็นการสะสมเป็นการกอบโกยประหยัดเก็บเม็ดกระแมรู้จักอะไรล่ะ นี่พูดกันทั่วๆเมืองอยู่ในเมืองไทยนี่ก็พูดกันน่ะหัวใจเศรษฐีอุอากสะเสร็จแล้วมันจะกระทั่งกลายเป็น ไม่สะสมก็คือรักษาแน่จริงคุณรักษาเนี่ยรักษาใจให้บริสุทธิ์รักษาให้หมดตัวหมดตนรักษาให้หมดอัตตนิยามไม่จะเป็น โอ้โหยังรักษาได้สมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จแล้วคุณจะเป็นกัลยาณชนจะเป็นกัลยาณมิตรจะเป็นมิตรดี เพราะคนที่ยิ่งไม่เอายิ่งไม่หวงแหนยิ่งไม่ยึดเป็นแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลคนนี้ยิ่งเป็นมิตรเพื่อนๆ ยังนี่ตั้งหาละกัลยาณมิตรแล้วคนที่ช่วยเพื่อน มันถึงไม่ไปถึงไหนกันน่ะสอนให้แต่ขี้โลภเห็นแก่ตัวไม่รู้จักสละออกไม่ต้องเอาออก ที่จะซ้ําเป็นกระทบโยชน์กับสัมปรายิกกระทบโยชน์นั่นแหละตัวทุกวัน และเราเป็นผู้ไม่ขาดทุนจะต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงชีพๆพูดแล้วมันก็มัน นิยมโรงพยาบาลอ่าหัวหักแน่มาที่นี่อ่าแมะหลอกบ้างเคาะกะโหลกแม อ่าแล้วกับเค้าถ่ายรูปมาเลยกําลังพยาบาลกันอยู่ในชุดพยาบาลเต็มที่ ย่าอะไรก็ออกข่าวอะไรก็ออกข่าวอีกแอคอะไรก็เป็นข่าวยิ่งใหญ่มันเป็นอย่างนี้ศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้แล้วว่านั่นแหละคือเป็นฐานที่นะเอาอ่าอาตมาดูเมื่อเช้านี้ปึ๊บเนี่ยๆๆ เออเนี่ยนี่พยาบาลเนี่ยว่าเนี่ยอ้าปากเนี่ยยื่นข้าวให้มั้ยเนี่ยยื่นข้าว นี่แหละคืนกันแล้วก็พูดกันอธิบายกันแล้วก็ชี้โพร่งกันให้แนะอะไรกันเนี่ยมันอื้อหือแล้วมันจะเจริญยังไงโอ้โหมัน กรรมอะระคุณก็อย่าไปเท็จได้โทษนะเดี๋ยวระวัง ที่จริงมันก็น่าจะถ่ายให้มันชัดอืมดูแล้วก็นะคือไม่ค่อย พูดนี่มันมันเพี้ยนไปจนกระทั่งไม่รู้จะว่าไงแล้วอาตมาพยายามหยิบมาพูดเค้าก็หาว่าอาตมาเนี่ยไม่รู้ภาษาบาลีแปลผิดอธิบายอะไรไปตามเรื่องตามเราเองตามใจอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงอาตมาบอกว่าอาตมารู้บาลีด้วยญาณ อาตมาอธิบายบาลีนิยายด้วยปฏิภาณปัญญาความรอบรู้ที่อาตมาพึงมีใช้ อัญญังอัตมาไม่ได้หมายถึงยังเลยอธิบายบาลีและรู้บาลีที่มันยิ่ง <s> <ๆ. S 2> ดูบทแล้วในองค์รวมแล้วก็เอออันนี้มีพลวะมีบริบทนี้มันก็บอกอะไรเราอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องไปเอาตัว ที่อธิบายก็ได้ไม่ได้เหมือนเขาอธิบายนะอุตานะสัมปทาขยันหมั่นเพียรรักษานี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสะสมกอบโกย กุศลยิ่งเป็นสิ่งลึกเป็นนามาทําเข้าไปไม่โลกๆน่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของโลกธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านตรัสอะไรว่าธรรมะของเราเป็นโลกุตระโหจารย์ท่านตรัสนะนะ พระอัจฉริยสัตย์ว่าต่อไปในอนาคตคนจะไม่ แต่อาตมาก็ว่าอาตมาพูดโลกุตตระเค้าก็ไม่รู้แล้วโลกุตตระแล้ว ให้สามารถทําธรรมวินัยให้ประดิษฐ์ได้มีมั้ยมีมั้ยธรรมวินัยที่ พระนาบพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยว่าทําให้ทําไม่ใน <ๆ. S 2> เองเป็นใครก็แล้วแต่ผู้พูดน่ะผู้รู้ทั้งหลายแลเป็นใครก็แล้วแต่ท่านๆๆ กล่าวโดยไม่คิดนั่นน่ะโกรธมากไปมั้งเลยคิดลืมไปว่าตายว่าเราใส่ความอันนี้ผิดเว้ยๆพลาดๆใครมาหาๆเลยเป็นการกล่าวกับคําสอนของพุทธเจ้าขัดแย้งกับสัจธรรมด้วยใครทําให้ทําบน เพราะน่ะอาตมาหยิบธรรมวินัยของพระเจ้ามาขยายความในจากๆจริงๆแล้วก็เอามาขยายความ มันมีความรอบรู้ในความเข้าใจที่เรากําลังจะตั้งจะมัน มันขึ้นมาเองไม่ได้ตั้งๆๆแกอย่ามาตั้งอยู่ในนี้ล้มมันลงไปอย่าให้มันตั้งนี่ๆพูดภาษาคนเพราะฉะนั้น ความรู้สึกของคนนี่สําคัญนะแล้วจริงจริงน่ะเพราะกันสมาทานก็ยึดแต่สมาทานเนี่ยเป็นการ สมาสมาทานอาทานแปลว่ายึดไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราเช่นคนเค้าเคยทดสอบเรื่องจิตจริงๆเนี่ยอ่าเค้าทด เขาเจาะเลือดนะปอนะจะเจาะเลือดให้เลือดไหลออกจากตัวเอง ได้ยินเสียงเลือดมันหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งอยู่ข้างนอกอ่ะฉะนั้นแกก็ตายจริงๆที่จริงเค้าไม่ได้เอาเลือดออกเค้าเอา ในตัวประหารคนนี้แกก็ตายจริงๆตายโดยแกเองแกเชื่อว่าแกตายจริงแกเลือดหมดจริงๆทั้งๆที่เลือดไม่ได้ออกไปเลยนะๆเป็นเสียงน้ําหยดเลือดๆสบายๆ แล้วก็ออเปิดหมดแล้วออกไปครึ่งแล้วสอบนี่คือใจหรือคนต่างๆนานาพวกนี้นะไอ้ช็อกบางทีมัน เสียใจตายนั่นน่ะไม่ใช่เลือดไม่ใช่สมองหรอกหัวเต็มๆอย่าไปเสียใจอย่าเป็นน้อยใจๆเป็นน้อยทําไมใจ เมื่อไปเสียมันหลอกใจมันเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอ๋ออันนี้เหรอเค้ามาเอาของเราไปแล้วเออเออของเราถูกเอาไปแฮะของก็ 2 ต่อ ฟังความดีๆแล้วไปปฏิบัติประพฤติให้มันสอดคล้องแล้วเราจะ ฝึกปรือให้มันไปสู่กุศลไปสู่สภาพที่ดีงามอย่าไปทําใครทํายัง ขึ้นราคาแล้วๆเลยไม่เข้าเรื่องของเรานะอ่ะอ่ะพอ